แวนีี้ดตำนานรักโศกของพญา น, นาคกับนางยักษ์ความรักแม้เป็นสิ่งที่สวยงามแต่ก็อาจกลายเป็นความเศร้าหมองได้หากความรักเกิดขึ้นแต่กลับไม่สมหวังเพราะอุปสรรคหรือการถูกกีดกันทำให้ต้องจากกันชั่วนิรันด์โดยเฉพาะความรักต่างสายพัน์ของพญา น, นาคกับนางยักษ์ต้นกาเนิดตำนานถ้ำเลจังหวัดตรังเป็นเรื่องราวรักโศก ที่ถูกขัดขวางจากพ่อของนางยักษ์จนทําให้พญานาคจำเป็นต้องหนีหายส่วนนางยักษ์ก็รอคอยการกลับมาของพญานาคที่จากไปไม่ว่าวันนั้นจะมีจริงหรือไม่แต่ก็ยังพักดีต่อหัวใจของตนเองเสมอมาดังความสวยงามของทัศนียภาพในถ้ำเลที่ชวนให้หลายคนอยากเข้ามาสัมผัสความเย็นยะเยือกของถา้าซ่อนไว้ซึ่งตำนานอันลึกลับของความรักระหว่างพญานาคกับนางยักษ์ ที่ได้ร่วมอยู่กินกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็ต้องพากจากกันในที่สุดเรื่องราวมีอยู่ว่านานมาแล้วบุตรชายของท่านผู้ชงนาคราชชื่อพยากรอบผู้เป็นพญานาคที่มีบารมีมากมีร่างกายที่ใหญ่โตมีฤทธิ์อำนาจมากเมื่อท่านเติบใหญ่เป็นพญานาคหนุ่มก็ได้ท่องไปยังดินแดนต่างๆจนในที่สุดท่านได้พบรักกับนางสีขันซึ่งเป็นบุตราของยักษ์หูแกง แต่ทั้งสองก็ไม่ได้วาดวันต่อชายกาเนิดที่แตกต่างกันเมื่อทั้งสองรักกันจึงตกลงที่จะอยู่ร่วมชายคาเดียวกันต่อมานางสีขันได้ตั้งคันด้วยความรักของพญากอบที่มีต่อลูกและเมียจึงพยายามหาที่อยู่ใหม่ให้นางสีขันเพื่อคลอดบุตรซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและสวยงามพญากอบจึงเลือกใช้สถานที่แห่งหนึ่งโดยการใช้อิฐฤทธิ์เผาทําลายและเจาะก้อนหินให้เป็นถ้าบ ร, รานไดที่มีทานน้ําไหลผ่าน มีสัตว์หลากหลายชนิดมีอั ญ, ญมณีอันมีค่าอยู่ด้วยซึ่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้คือถ้ำเลนั่นเองต่อมาทั้งสองจึงได้อยู่กินกันในถ้ำแห่งนี้แต่แล้วบิดาของนางสีขันซึ่งเป็นยักษ์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์ก็ได้ตามหาบุตรสาวจนพบและไม่พอใจมากที่นางมีสามีจนตั้งครรภ์ทำให้ยักษ์หูแกงประสงค์ทาร้ายพยากรซึ่งเป็นลูกเขยหวังจะฆ่าให้ตายด้วยการพ่นไฟใส่ แต่พญากอบหนีทันไฟที่พ่นออกมานั้นจึงไปถูกภูเขาแห่งหนึ่งกลายเป็นเขาหัวแตกในปัจจุบันนางสีขันเห็นพ่อของตนคิดจะฆ่าคนรักและตกใจกลัวกับการต่อสู้ที่ชุลมุนวุ่นวายนางจึงหนีตเตลิดไปอยู่บนเชิงผาเพื่อรอคอยพญากอบทำให้ผาแห่งนี้ถูกเรียกว่าผานางคอยในเวลาต่อมาด้านพญากอบแม่คิดจะต่อสู้ทาลายยักษ์หูแกงที่มาทาร้ายตนแต่พอ ร, รู้ว่า ยักษ์หูแกงเป็นพ่อของนางสีขันทําให้พญากอบหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ทําร้ายยักษ์หูแกงด้วยการหนีไปและหลบซ่อนตามสถานที่ต่างๆเพื่อไม่ให้ยักษ์หูแกงหาตัวพบในเวลาต่อมานางสีขันจึงได้คลอดลูกเป็นงูจํานวนมากกว่า8ปดห0ื่นตัวจากตำนานนี้จะมีความเชื่อว่าหางมายังเขากอบแล้วเจองูห้ามฆ่าหรือทําร้ายงูเด็ดขาดเพราะงูเหล่านี้เป็นลูกของพญากอบ และยังมีเรื่องราวความเชื่ออีกว่าจากที่พญากอบได้หนีและหลบซ่อนตัวจากการไล่ล่าของยักษ์หูแกงผู้เป็นพ่อตาแล้วถ้าวันไหนที่พญากอบกลับมายังถ้าเลหินต่างๆทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ภายในถ้ำจะเปล่งแสงแวววาวอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งวันนั้นเขากอบก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากจะเห็นว่าความรักนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายคือหญิงและชายเท่านั้นแต่สภาพแวดล้อมผู้คนที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนสําคัญ ที่จะทำให้ความรักของทั้งสองสารต่อไปได้ด้วยดีหรือไม่และเรื่องราวความรักของพยานานากับนางยักษ์ก็สะท้อนให้เห็นว่าความไม่ถูกใจของพ่อตาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่กับภพภูมิอื่นๆก็มีเรื่องเล่าให้ได้ยินเช่นกันอ่าวพระนางตำนานอถถันแห่งคำสาปของพระฤาษี อ, อถันแห่งอิทธิฤทธิของผู้ที่เปี่ยนไปด้วยตบะอันบาเพ็ญมาอย่างยาวนาน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 และขอว่าให้มีลูกสาวพญานาคตกลงจะให้พรกับยายรำพึงโดยมีเงื่อนไขว่าหากลูกสาวโตแล้วจะต้องแต่งงานกับลูกชายของตนซึ่งเป็นพญานาคที่ชอบจําแรงกายเป็นมนุษย์มาเที่ยวยังโลกมนุษย์อยู่เป็นประจำสองคนผัวเมียได้ยินเช่นนั้นก็ตกปากรับคํากับพญานาคทันทีในเวลาต่อมายายรำพึงก็ตั้งครรภ์สมใจและให้กําเนิดบุตรสาวมีชื่อว่านางเมื่อนางโตเป็นสาวแล้ว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 จะให้แต่งงานกับลูกชายพญา น, นาคเมื่อถึงวันแต่งงานขณะที่กระบวนแห่ขันหมาของนายบุญได้เคลื่อนข้ามาเรื่อยๆเลียรบริมทะเลลูกชายพญา น, นาคที่จำแรงกายมาเป็นมนุษย์รู้สึกไม่พอใจจึงเข้าแย่งชิงตัวเจ้าสาวเกิดเหตุชุนลมุนขึ้นต่อสู้กันระหว่างพญา น, นาคกับมนุษย์ระหว่างนั้นเองตาโยมดึงจึงได้พาลูกสาวหนีไปเพราะเกรงว่าลูกสาวของตนจะเป็นอันตรายพราะตาว่าปราบเห็นเข้าก็เกิดการยื้อแย่งกันขึ้นมา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 เธอผิดหวังกับหลายเรื่องทำให้วิญญาณของเธอได้สถิตยอยู่ที่ศาลในถ้ำพระนางแห่งนี้แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์อันแรงกล้าทำให้มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะชาวประมงมักจะมาขอพรก่อนออกเรือเพื่อให้ตนนั้นโชคดีก็จะสมปรารถนาและหลายรายก็มาบนบานศาลกล่าวด้วยประหลัดขิกเมื่อสมหวังแล้วก็นาประหลัดขิกมาแก้บนทาให้เห็นว่าในปัจจุบันถ้าพระนางมากไปด้วยประลัดขิก จากตำนานกําเนิดอาพระนางจะเห็นว่ามนุษย์นั้นควรรักษาสัจจวาจาที่ตนเอ่ยไว้ไม่ว่าจะเอ่ยวาจานั้นกับมนุษย์ด้วยกันหรือกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามความหลงลืมในสัจจวาจาของตายมดึงและภรรยานั่นหมายถึงการไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เอ่ยไว้ทั้งๆั้ที่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะกว่าจะได้ลูกสาวมาก็ต้องอ้อนวอนต่อพญานมากฉะนั้นการไม่รักษาสัจจวาจาก็นํามาซึ่งเหตุเพศภัย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 เป็นตำนานกล่าวขานถึงเรื่องราวเชื่อมโยงจนเกิดสถานที่สำคัญอันซ่อนไว้ซึ่งอาถรรพ์มนคลังที่ชวนสัมผัสตำนานรักอันแสนเศร้ารอคอยจนชั่วนิรันจากคำอธิษฐานจิตขององค์หญิงผู้สูงศักดิ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความพักดีต่อพระสวามีอันเป็นที่รักแม้ให้รอคอยจนชั่วกลับชั่วกันนางก็ยอมแต่ด้วยคาอธิษฐานจากจิตอันแรงกล้าส่งผลให้นางมีร่างเป็นหิน หลังจากที่ตายไปแล้วในอ้อมอกยังอุ้มลูกน้อยอยู่ไม่ห่างเป็นประติมากรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอันสวยงามตรึงใจแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวอันแสนเศร้าผานางคอยอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นขององค์หญิงอรัญญีและนายคนองเดชผู้เป็นหัวหน้าฝีพายซึ่งเกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรแสนหวีเมื่อประมาณแป0้อยกว่าปีที่แล้วในครั้งหนึ่ง องหญิงอนัญญาณีได้เกิดอุบัติเหตุทั้งน้ําโดยมีคนองเดชช่วยชีวิตไว้ทําให้ทั้งสองเกิดความรักต่อกันเรื่อยมาจนรักรอบได้เสียกันในที่สุดองค์หญิงได้ตั้งคันแต่เหตุพระสองคนนั้นมีฐานันดรที่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของพระบิดาพระองค์ทรงกริ้วมากที่พระนางกระทําเช่นนั้นเมื่อทั้งสองรู้ดีว่าความรักครั้งนี้ไม่ได้สวยงามราบรื่นจึงได้พากันหนีออกมาจากในวัง ขณะที่ฝ่ายทหารก็ตามไล่ล่าเพื่อทําร้ายนายคนองเดชด้วยการยิงแต่สอนกลับไปถูกบริเวณพระอุระหรือหน้าอกขององค์หญิงอนัญญาณีทั้งสองคนจึงหลบหนีเข้ามาในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อรักษาแผลในเวลาต่อมาจึงได้ประสูตรพระโอรสองค์หญิงก็อดเป็นห่วงคนองเดชไม่ได้เพราะหากทหารรู้ที่ซ่อนคนองเดชก็ต้องตายจึงรบเร้าให้คนองเดชนั้นหนีไปส่วนตัวเธอเองจะรออยู่ที่ถ้ำแห่งนี้จนช่วงนิรันดร จบจนพระนางได้สิ้นชีวิตลงด้วยแรงอธิษฐานขององค์หญิงทำให้พระนางทรงกลายเป็นหินในอิริยาบถอุ้มทารกน้อยไว้บนตักและด้วยหัวใจอันรอคอยคนรักทำให้ถ้ำแห่งนี้มีชื่อว่าถ้ำผานางคอยโดยปรากฏหินที่มีรูปร่างคล้ายกับผู้หญิงอุ้มลูกอยู่ที่ลานกลางถ้ำแม้ในปัจจุบันจะถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ตามแต่ตำนานแห่งการรอคอยคนรักขององหญิง ก็ยังถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันโดยด้านในถ้ำจะมีจุดสำคัญต่างๆที่ปรากฏร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในตำนานอย่างน่าพิศวงคือคูหาสวรรค์วิเศษเป็นจุดที่องค์หญิงอรัญญานีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านางคอยได้ใช้เพื่อรอคอยคนรักเทพอารักษนกครราเป็นจุดที่เทวดาทั้งหลายต่างคอยปกป้องคุ้มภัยให้แก่องค์หญิงอารัญญานีและพระโอรสนาคาสถิต เป็นสถานที่สำคัญอันเป็นที่สถิตขององค์นาคาซึ่งทำหน้าที่รักษาดินแดนขององค์หญิงอารัญญานีงามพิษอโณงสนานเป็นบริเวณทานน้ำจากสวรรค์ที่พระนางอารัญญานีใช้อาบน้ำชำระร่างกายหิมมะพานวิ จ, จิตเป็นภาพที่เทวดาได้เนรมิตขึ้นมาเพื่อให้องค์หญิงอารัญญานีได้ชื่นชมเพื่อคลายจากความทุกโศเนรมิตม่านแก้วเป็นม่านแก้วของเหล่าเทวดา ที่ได้เนรมิตไว้ในถ้าแห่งนี้ทานเทพอธิษฐานเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความรักและความทุกโศกจากคําอธิษฐานขององคหญิงอรัญญาีลานรักพระนางเป็นห้องโถงที่องคหญิงอรัญญีได้ใช้สําหรับเลี้ยงพระโอรสและยังเป็นจุดที่พระนางรอคอยพระสวามีนอกจากนี้ยังมีจุดสําคัญอื่นๆภายในถ้ารวมทั้งหมด13แห่งด้วยกันอันเป็นสิ่งที่บ่งบอกเรื่องราวของนางคอย ความรักของพระนางอารัญญานีที่มีต่อคนองเดชผู้เป็นสวามีถือเป็นความรักที่เสียสละจากหัวใจอย่างแท้จริงพระนางยอมเจ็บปวดให้คนองเดชนี้ไปเพื่อรักษาชีวิตของคนที่รักไว้แม้จะต้องห่างกันเนิ่นนานเพียงใดแต่ความรักที่พระนางทรงมีให้กับคนองเดชยังไม่เสื่อมคลายดังที่เห็นเป็นประติมากรรมหินรูปผู้หญิงอุ้มลูกน้อยอยู่กลางถ้ำรอคอยคนรักไปตราบชั่วนิรัน